พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าบหาลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดมีชื่อเรื่องว่าภาวนาด้วยความจริงใจ วันนี้เป็นวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5๕๗เป็นวันพระขึ้นแปดค่ำเดือนสามวันพระหน้าเนะี่ยเป็นวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเป็นวัน ที่พระพุทธเจ้า ว, วางรากฐานวางกฎระเบียบวางกฎเกณฑ์วางกฎหมายรัฐธรรมนูญปลกของสงฆ์วันเดือนสามเพนพระสงฆ12์1250รูปมาประชุมกันโดยที่ไม่ได้นัดแนะในพระไตรปิฎกท่านพูดไว้อย่างนั้นตัดไว้อย่างนั้น จากนั้นท่านพระพุทธองค์ก็ได้บัญญัติวินัยนี่ถึงถือว่าว่าเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเราวันสำคัญที่จะถึงพวกเราก็ควรจะเตรียมกายเตรียมใจไว้เพื่อจะรักษาศีลวันมาค้าบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาสาหรับพระสงฆ์ ยิ่งสำคัญยิ่งพวกเราที่เข้ามาอยู่ภายในควรจะปฏิบัติตนอย่างไรในวันเช่นนั้นหลวงพ่อว่าเราก็เคยนอนมานานแล้ววันมาค่าบูชาเราควรจะในคืนนะควรจะถือเนสัชชิเนสัชชิคืออะไรคือไม่นอนตลอดคืน การไม่นอนตลอดคืนไม่ใช่เราจะไปหาคุยกันไม่ได้นะแปลว่าปิดวายายอีกต่างหากในคืนนั้นเราจะภาวนาเอาอริยบทสามเป็นอย่างมากหรือเอาอริยบทสองก็ได้นั่งก็เดินหรือเอาอริยบทหนึ่งก็ได้เดินตลอดคืนหรือว่านั่งตลอดคืน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 หรือเราจะเดินเอาให้เต็มความสามารถหรือเราจะเดินครึ่งหนึ่งเราจะนั่งครึ่งหนึ่งหรือจะเดินสลับกันเดินสองชองั่วโมงนั่งสองชองั่วโมงสลับกันซิ่งเหล่านี้ให้พวกเรามีวันหนักวันหนักวันเบาไม่ใช่ว่าวันไหนก็วันเก่าแต่ในขณะที่ทําความเพียรอย่าไปหากันอย่าไปคุยกัน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 และข้าพเจ้าจะเดินสองชั่วโมงจะข้าพเจ้าจะนั่งสองชั่วโมงข้าพเจ้าจะเดินสองชั่วโมงเนี่ยแหละจนสว่างเนี่ยแหละอันนี้คือวิธีการภาวนาหรือวันต่อไปอีกออเราได้ผลเห็นผลเมื่อเราทำอย่างนี้เราเห็นผลแล้ววันต่อไปอีกเว้นวันสองวันเราทำเองดูใจของตัวเองม่ใหนจิตใจของเราปุงฟุง้งออกไปข้างนอก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 เราก็ต้องใจศึกษาในภาษาอันนั้นเพราะเราอยู่ไม่นานบางทีเราอยู่สองสามเดือนนะส10กว่าวันอย่างนี้ห้าวันสองสามวันอย่างนี้เรามาอยู่ที่เออมาศึกษาดูสิว่าแนวแถวปฏิปทาของครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านพาดำเนินอย่างไรท่านพาปฏิบัติอย่างไรท่านให้ภาวนาอะไรวิธีการดำเนินชีวิตประจําวันท่านทาอย่างไร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 ในเมื่อเราเอาไว้ก่อนเอาอย่างจริงอย่างอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเดินทั้งวันนั่งทั้งวันภาวนาทั้งวันบังคับสติให้อยู่กับตัวเองตลอดวันไม่ให้มีการเคลื่อนไหวไม่ให้ปิดใยออกไปข้างนอกให้อยู่กับตัวเอ ง, บ, งบับงคับเคำว่าบังคับไม่ใช่ปล่อยปละเลยจะคิดเวลาไหนก็ได้เวลาไหนก็ยังค่อยมาภาวนาพุโถผุโตแล้วก็หายไปเงียบไป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 สติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ที่ปลายจมกูกจากนั้นกับิกรรมพุทโธพุทโธพุทโธจะส่งไปที่อื่นถ้ามันเผลอไปปับ๊บให้ย้อนกลับมาอ่ามันเผลอไปให้ย้อนกลับมาถ้ามันไปเห็นนิมิตจะเป็นเห็นเรื่องอะไรก็ตามเทวบุตรเ ท, ทวดาอินพร์พูดผีปีศาจอะไรนรกสวรรค์อะไรก็ตามอย่าไปดูในแถวสายลงปู่บนะ้านท่านไม่ให้ออกไม่ให้ส่งจิตออกไปนอก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 เอาใจมาพิจารณากายเอาตัวความรู้ความนึกคิดนั่นแหละคือใจตัวผู้รู้นะั่นนะมาพิจารณากายแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเรานะใจนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนของเราเนะเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราต้องใช้กายหอันนี้เหมือนกับเราไปที่ไหนเราต้องใช้รถรถคันนี้คื อ, ค อ, คอร่างร่างกายเนะี่ยคือรถของใจใจเป็น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 มันเป็นคนละสัดละส่วนกันเป็นคนละอันกันเหมือนกับรถกับคนขับรถจากนั้นเราก็เอาคนขับรถมาพิจารณารถอันนั้นตาของรถอันนี้สายพานของรถอันนี้หม้อน้าของรถอันนี้ลูกสูบของรถลูกสูบคืออะไรก็คือหัวใจอย่างพวกเราเนี่ยพิจารณาหัวใจใจมันก็สูบสีเลือดนันนั้นหัวใจเลยลูกสีลูกสูบของรถ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 จากนั้นเมื่อเราพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเราจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายกังวางลงที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละความบริสุทธิ์หรือว่าความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสจะเกิดขึ้นจุดหนึ่งในจุดนั้นแต่ก่อนที่จะมาถึงจุดนั้นก็เริ่มต้นตั้งแต่ไหว้พระอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวไหวยพระอระหังสวากขาโตสุปฏิปโนด้วยความนอบน้อมด้วยความตั้งใจจริงมีสติสัมปชัญญะในการว่ายพระสวดมนต์ ไม่ใช่ว่าทั้งไหวไปด้วยทั้งหาวนอนวักเมื่องน้ําตาหลังน้ําตาไหลไปด้วยกราบผิดกราบถูกไปด้วยไม่ใช่อย่างนั้นด้วยความตั้งใจด้วยความใส่ใจอย่างนั้นเก็ไหว้พระราหังสวากะาตัวสุปฏิปโนเสร็จแล้วแผ่เมตตาด้วยความตั้งใจจากนั้นก็นั่งสมาธิประนมมือกราบไหว้พระพุทธเจ้าบูชาพระคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความตั้งใจ ด้วยความใส่ใจจากนั้นก็แผ่เมตตาจากนั้นก็เอามือลงอมือขวาทับมือซ้ายกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกนี่แหละอันนี้เราวิธีการปฏิบัติขอให้พวกเราลูกหลานคณะสัต ย, ยาญาณโยมทุกคนนะเราเข้ามาศึกษาในสายหลวงปู่มั่นเราต้องมุ่งมั่นต้องตั้งใจอย่างที่หลวงพ่อพูดหลวงพ่อมั่นใจว่าพวก อีกสักวันหนึ่งพวกเราจะประสบหรือว่าได้รับริมรถแห่งความสงบในสมาธิแต่ถ้าพวกเราภาวนาแล้วมันยังเอาไม่ไหวว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้ถีเย็บเข้าไปอีกไม่ต้องออกกับลมเถอเพราะกับลมมันมีจังหวะห่างจากนัาา้นท่านจะมันมันยังไม่อยู่อีกให้กำหนดลมหายใจหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองนับสนับ4ี่นับ5้าถึงรอเผลอไหม ทำให้ไม่เผลอ ER นับหนึ่งกับหนึ่งใหม่ถ้ามันเผลอ ER ตรงไหนไปนับถึง10มันเผลอ ER กับมาอีกมันเผลอ ER, มันเผลอ ER อย่างไรมันเผลอ ER, หายใจเข้านับหนึ่งเป็นเลขขี้สองเลขคู่สมเลขขี้สี่เลขคู่ห้าเลขขี้ ing, หเลขคู่ถ้าว่ามันเบอร์มันจะหายใจเข้า <c oughs> <c oughs> เป็นเลขคู radial, ่หายหายใจเข้า <c oughs> เป็น6หายจะออกเป็น7หายใจเข้าเป็นแปดหายจะออกเป็น9 <passionate> ้า แสดงว่ามันเผลอแล้วนะตั้งไหมกลับมาหนึ่งใหม่อีกมันทำไมจึงเผลอมันเผลอช่วงไหนวะมันทำไมออกเผลอได้นี่แหละอันนี้คือวิธีการตั้งสมาธิตั้งสติในการทำสมาธิถ้าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอยู่อย่างนี้นแหละจากนั้นก็ น, นับถึงร้อยไม่เผลอแสดงว่าสติของเราเริ่มดีต่อไปก็ดีขึ้นเรื่อยๆจากนั้นก็บกำหนดลมหายใจเข้าพดหายใจออกโถ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 ให้เห็นกระดูกที่เราเห็นโครงกระดูกที่ไหนก็นํามาพิจารณาโครงกระดูกมาเปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในเปรียบเทียบนอกก็คือเราเห็นโครงกระดูกที่อื่นเปรียบเทียบในก็เอากระดูกที่เราเห็นข้างนอกมาเปรียบเทียบกับโครงกระดูกเราเราเนี่เป็นโครงกระดูกใช่ไหมเรานอนเฝ้าโครงกระดูกตัวเองทั้งวันใช่ไหมทั้งคืนใช่ไหมพาโครงกระดูกไปที่โน่นที่นี่ใช่ไหมทำให้เชื่อกระดูกไปเอ็กซเรย์ดูสิไปเอ็กซเรย์ทั้งล่างดูสิ เป็นโครงกระดูกหรือเปล่าอยู่กับตัวของเราเป็นโครงกระดูกเพราะนั้นอย่าหลงอีกสักวันหนึ่งโครงกระดูกนี่ต้องทิ้งใจนะในเมื่อใจผ่านความสงบแล้วจะพิจารณาอะไรเห็นชัดเจนทั้งนั้นแหละเพราะนั้นท่านจึงทำให้จิตให้ใจของเราสงบซะก่อนเป็นสมาธิซะก่อนจึงนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาเพราะนั้นขอให้พวกลูกหลานทั้งหลายนะพวกเราทุกๆท่านนะ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 ออกนอกลู่นอกทางแต่ละวีดแต่ละวันท่านจะอยู่ป่าได้อย่างไรอันนี้โอ้ท่านสงบจิตสงบใจอย่างแน่นอนเราจะเห็นเราก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอีกต่างหากพระพุทธเจ้าท่านสอนพระธรรมคำําสอนมาไม่ได้สอนโกหกโลก น, ะนั้นถ้าผู้ปฏิบัติรรมแล้วปฏิบัติจริงจังและจริงใจและเห็นในความสุขจิตใจสงบมีความสุขจริง นัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่ยงกว่าความสงบไม่มีพวกเราจะได้รู้ได้สัมผัสในการปฏิบัติของพวกเราเอาต่อนนี้ไปรับพรนจะอนุโมทนาให้พร